อบรรดาท่านพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาเจริญเทวกรรมฐานแต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลาเจริญเทวกรรมฐานก็จะขอนําอจารณะสิบห้าท่านได้แก ค, ความประพฤติประจํา ที่วันดาผู้มีความหวังดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามประธรรมคำ ส, สอนขององค์สมเด็จระสมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เข้าถึงความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันแนะนำท่านเสกกรสำหรับเจรณนาถิภา เมื่อวันที่แล้วได้ผ่านมาถึงด้านปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งซึ่งเป็นอารมณ์ของบรรดาวพวกเราเหล่าพุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติให้ได้และให้ถึงเพราะว่าอารมณ์ฌานได้แก่อารมณ์ทรงสมาธิสมาธิก็ได้แก่การทรงสติสัมปชัญญะนั่นเองสำหรับวันนี้ ก็จะข อ, อนำเอาฌานที่สองคือทุติยฌานมาพูดคำบรรดาท่านทังหลายสำหรับทุติยฌานฌานที่สองนี่เป็นอารมณ์ที่มีความสูงความดีความเด่นมีความเยือกเย็นเป็นสุขดีกว่าฌานที่หนึ่งสำหรับฌานที่หนึ่งนั้นประกอบไปด้วยองค์ห้าคือวิตก วิจาร์ปีติสุขเอกคาตาที่จะกล่าวกันไปก็เหมือนว่าภาชนะหรือว่าแคร่หรือว่าตัางที่นั่งที่มีความหนักมากต้องใช้ขายันไวถึงห้าขาพราะพื้นข้างบนหนักมากจะมีการทรงตัวไม่ดีนัก จึงมีเท่ายันมากสำหรับอารมณ์ของปฐมวิมชาญจะขอย่ออีกส่กนิดหนึ่งเพราะว่าที่กล่าวไว้แล้วเมื่อคืนที่แล้วดูเหมือนว่าจะย่อไปอารมณ์ของปฐมวิมชารที่เรียกว่าได้แกวีตกก็ได้แก่ความตรึกคือ น, นึกนึกว่าเราจะทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้สมมติว่า ท่านใจะใช้คำภาวนาว่าพุทโธเึงจัดว่าเป็นพุทธานสุสติกรรมฐานถือว่าเป็นกรรมฐานสําคัญบทหนึ่งเราภาวนาอยู่ว่าพุทโธเป็นองค์ประกอบเพื่อเป็นการส่งตรงส่งสมาธินี่ขณะที่เรานึกถึงคําว่าพุทโธอยู่ อย่างนี้เรียกว่าวิจกเพือว่านึกถึงคำภาวนานี่ในขณะที่เรารู้อยู่ว่าเวลานี้เราภาวนาว่าพุโทโธหรือเปล่านี่กำลังภาวนาอยู่นี่คำภาวนานี่ถูกต้องไหมอย่างนี้เรียกว่าวิจารสาหรับปีติได้แก่ความอิ่นใจ ความอิ่มใจหมายถึงว่าเวลาที่เราพาาอยู่สามารถรวบรวมกำลังใจเป็นสมาธิได้ดีพอสมควรเมื่อกำลังสมาธิทรงตัวความเพื่อมปิติเกิดขึ้นมีความอิ่มใจมีความเพื่มใจไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะเจริญสมาธิขณะที่ทรงจิตที่ทรงอยู่ในสมาธิ ออตอนนี้สำหรับปีตินี้มีอารมณ์ใกล้กับฌานมากบางทีบางท่านที่มีความเข้าใจไม่ถึงคิดว่าเป็นฌานสมาบัตินี่ว่าแตนไม่ใชฌานที่หนึ่งนะนอาการของปีติที่มีห้าอย่างคือหนึ่งำตาไหลหนึ่งค้นพองสยองขลาว คือขณะที่ภาวนายอยู่ไม่มีจิตเอิบอิีนอยู่มีอาการขนลุกสูดสา่ามีการขนลุกซึ่งเราไม่เคยปรากฏมาด้การก่อน <c oughs> สำหรับระการอย่างนี้บางท่านตกใจคิดว่าจะเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นบางทีถึงก็เลิกเะเลยก็มี ด้านนีงขออธิบายให้เข้าใจไว้ก่อนว่าเวลาที่เจริญสมาธิอาการทางกายจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่ควรจะสนใจปล่อยให้เป็นไปตามสภาพนั้นแล้วถือว่าถ้าเราจะตายในขณะที่เราทรงความดีอย่างนี้เราพอใจ เนี่เปรักอาการอีกหนึ่งเรื่องการขนลุกสูดสะาดแต่หากว่าสมาธิยังทรงอยู่ขณะนั้นอาการอย่างนี้ก็ปรากฏหรือว่าอารมณ์ชาตอารมณ์สมาธิของเราถอยลงมาต่ำกว่านั้นอาการอย่างนี้ก็หายไปนี่แต่หากว่าอารมณ์สมาธิสูงขึ้นไปกว่านั้นอาการนี้ขนลุกสูดสะอาดจะหายไป จะมีอารมณ์สบายมีความเอิบอิ่มดีขึ้นอาการที่สองอาจจะปรากฏคือน้ําตาไหลอาการน้ําตาไหลของปีตินี่สำหรับที่ท่านทรงอารมณ์ยังไม่ดีนะักก็จะมีอาการปรากฏเฉพาะเวลาที่เราทรงสมาธิเท่านั้นเวลาเลิกแล้วก็อาการอย่างนั้นก็ไม่ปรากฏ ในสําหรับบางท่านอารมณ์ปีติตัวนี้คืออารมณ์เป็นใกล้จะถึงปฐมฌานมีอาการทรงตัวบางครั้งที่มีบุคคลผู้หนึ่งคนใดก็พูดอะไรเป็นที่ปลื้มใจเลยนหรือเนิ่นนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใครครับรารกอย่างใดอย่างหนึ่งเที่ที่เป็นอารมณ์เกี่ยวกับกุศล น้ำตาก็ไหลบางรายก็ไหลมากจงกระทั่งเกิดอายชบ้านก็ต้องใช้ผ้าขนสัตว์น้ำตาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏก็ขอบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายจงอย่าตกใจเพราะนั่นแสดงว่าอาการสมาธิที่ทรงทุกปีติอันดับที่สองก็เราทรงตัว ถือว่าเป็นการทรงสมาธิอยู่ตลอดวันทั้งๆ ท, ที่เราไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าการที่หนึ่งก็เหมือนกักนนี่ถ้าปีติระดับที่สองนี่ผ่านไปแล้วปีติที่สามก็จะปรากฏอาการปรากฏก็คือจะมีร่างกายโยกไปโยกมาโครงไปโครงมาโครงข้างหน้าโครงข้างหลัง บางทีโคลงมากเหมือนกับอาการจะล้มแต่ว่าจิตใจมีความชุ่มชื่นจิตใจมีความอิ่มเอิบจิตใจมีการทรงตัวดีถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏเพื่อทราบว่าสมาธิของท่านสูงขึ้นเป็นถึงระดับปีติที่สามตอนนี้มาปรีติที่สี่ มีอาการสั่นเท่มคล้ายๆกับปลุกพระบางบางทีก็เต้นตึงตังโครงครามบ้างบางทีก็มีตัวลอยพ้นขึ้นจากพื้นลอยขึ้นไปบนอากาศบ้างถ้าการอย่างนี้ปรากฏก็ขอบรรนดาท่านพุทธบริษัทจงปล่อยไปตามสภาพว่าะว่าจิตมีความมั่นคงทรงตัวดี ถ้าการอย่างนี้ผ่านไปก็เป็นปีติที่ห้าปีติที่ห้านี่จะมีอาการทราบสั้นร่างกายสู้ซ้าคล้ายๆกับว่าตัวโปร่งเหมือนไม่มีอะไรกายทั้งหมดดูเหมืว่าเบาไปทั้งหมดหน้าตารู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นจะโตขึ้นจะมีอาการสูงขึ้นดูหมว่าตัวใหญ่มากนี่เป็นอาการที่มันปรากฏทางจิต แต่ความจริงเนื้อตัวหน้าตาก็อยู่ปเป็นปกติแปาการขอร้อมปีตินั่นเองอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจิตใจจะทราบซ่านจะสู้สา ม, มารถและมีอาการทรงตัวดีมากนี่เป็นปีติที่ห้าถ้าปีติขึ้นระดับถึงขึง้นถึงระดับนี้แล้วคือว่าขึ้นตั้งแต่อันดับที่สามขึ้นมา ท่านที่ทจเจริญเพื่อกมามฐานจะรู้สึกว่าไม่อิ่มไม่เบื่อในการจเจริญสมาธิจะนั่งอะไรจะทำอะไรจะกำหนดจิตจะกำหนดจิตเพื่อปรารถนาจะเพื่อทรงสมาธิอะไรจะทำได้ทันทีแต่อาการของปีติทั้งานีเขาวันดาท่านหลายโปรดทราบว่าย่อมจะไม่ปรากฏแก บ, บคุคคลทุกคนเหมือนกันทุกอย่าง บางท่านจะปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างแต่บางทีอการทั้งห้าระการนี้อาจจะไม่ปรากฏกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยก็ได้บางคนจะมีแต่การชุ่มชื่นเสมอๆ เ, เป็นปกติอย่างนี้ก็มีที่พูดวันนี้แสดงที่อาการปีติห้าอย่างก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ทราบ ว่าการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดขึ้นมาทางกายขอบัรดาท่านพุทธบริสัทท์หลายจนอย่าสนใจปล่อยไปตามสภาพของมันมันจะเป็นยังไงก็ช่างแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีติที่สี่บางทีจะมีท่าทางมากอาจจะลุกขึ้นยืนขาเดียวบ้างบางทีทำท่าเหมือนนั่งเก้าอี้ลมบ้าง บางทีอาจจะเป็นนอนอยู่บนไม้อันเดียวบ้างซึ่งยามปกติเราทำไม่ได้แต่ว่ า, าการปีติอย่างนั้นปรากฏมีขึ้นได้ทำได้ถ้ามันเลิกถอนจากสมาธิแล้วเราทำไม่ได้ถ้าเมื่อปีติถ้าห้าแวการนี้มันจะปรากฏมากเกินไป เราก็พยายามควบคุมกำลังใจคิดว่าต่อจานี้ไปจะไม่ยอมให้กำลังอาการอย่างนั้นปรากฏแก่กายของเราคุมสมาธิให้ทรงตัวอย่างนี้ได้ก็จะดีแต่ที่นำมาพูดนี้ก็เพื่อจะให้วันดาท่านหลายมีความเข้าใจเพราะมีหลายท่านด้วยกันเมื่อกระทบกับปีติอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็ามีอาการตกใจ กลัวบางทีถึงก็เลิกสี่เลยก็มีนี่สำหรับปีติตัวที่ห้าเป็นกําลังมีปีติที่มีกําลังสูงทําสมาธิทรงตัวได้ดีเมื่อปีติผ่านไปก็เข้าสุขความจริงปีติบางขณะเช่นปีติตัวที่หนึ่งที่เรียกว่าขนลุกสูดซาหรือขนพองสยองกล่าวเกิดขึ้นก็จิตอาจจะทิ้งสุขเลยก็ได้ จิตอาจจะเข้าถึงปฐมฌานก็ได้เมื่อขณะที่จิตเข้าถึงผ่านปีติไปเข้าถึงความสุขตอนนี้บรรดาทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเราจะนั่งนานสทตว์อะไก็ตามจะนอนนานสทตว์อะไก็ตามยืนนานเดินนานสัตว์อะไรก็ตามอาการทั้งหมดของร่างกายจะไม่รู้สึกไม่รู้อิ่มไม่รู้เบื่อ จะไม่รู้ว่าการเจ็บไม่รู้ว่าการปวดไม่รู้ว่าการเมื่อยต่อเมื่อเราถอนสมาธิแล้วจึงจะรู้สึกว่าปวดว่าเมื่อยสาหรับตอนที่จิตเข้าทั้งปีติก็ดีเข้าทั้งสุขก็ดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินทร์สีบรมศาสตสนาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอุปจาระสมาธิ หรือว่าถ้าจะเรียกในฌานก็เรียกว่าอุปจาระฌานและตอนนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์แล้วก็สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้จะสามารถได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้แต่ถ้าว่าไม่นานสเวส็เดียวก็หายไป <c oughs> ทั้งนี้เพราะไรเพราะว่าถ้าเราเห็นภาพที่เป็นทิพย์ก็ดีเราเห็นภาพเราดินได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ก็ดีเมื่อเราเห็นภาพหรือได้ยินเสียงจิตจะพลัดจิตจะประจับในภาพหรือเสียงอารมณ์ของสมาธิที่ทรงตัวไม่ดีอยู่แล้วก็เคลื่อนเมื่ออารมณ์ของสมาธิเคลื่อนภาพนั้นก็หายไปเสียงก็หายไป ดังนั้นในขณะที่ท่านจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิตอนนี้ก็จงอย่าสนใจกับภาพที่ปรากฏหรือว่าอย่าสนใจกับเสียงที่ปรากฏสนใจไว้อย่างเดียวคืออารมณ์ที่เราต้องการเดิมได้แต่การภรวนาหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกหรือว่าการพิจารณา นี่ต่อไปเมื่อจิตก้าวจากสุขแล้วก็เข้าถึงเอกัตตารมเป็นปฐมมชานความจริงอาการจริงๆเมื่อเข้าถึงปีติสุขเอกัตานี่มันใกล้กันมากบางทีก็ชั่วขณะจิตเดียวแต่ที่พูดกันนี่ก็พูด้นตามหลักวิชาทุะบรรดาท่านทั้งหลายจะได้รับทราบไว้ขณะที่จิตเข้าถึงเอก เ, อเข้าไปถึงปฐมชาน เป็นเอกคตารมอันนี้จิตจะทรงตัวไม่มีอารมณ์คิดจิตจะนิ่งสนิทมีความสบายถ้าจะภาวนาอยู่ก็ภาวนาเฉยๆจะไม่สาหรับเสียงที่มาจากภายนอกจะไม่เป็นภัยสำหรับจิตหมายความว่าหูได้ยินเสียงภายนอกชัด แต่ว่าแล้วก็เรารู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าไม่รำคาญในเสียงว่าเราไม่รำคาญเลยในเสียงเสียงจะมาอย่างไรก็แช่งแล้วก็ภาว น, นาพิจรารณากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกได้แบบส บ, สบายเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นอาการของปฐมฌาน นี่สําหรับที่จิตจะเข้าถึงปฐมฌานนี้มันมีอาการอีกอย่างหนึ่งบางทีพอจิตมีอารมณ์สบายก็รู้สึกว่ามีอาการวูบคล้ายกระตุกลงมาจากที่สูงแล้วก็ไม่สามารถจะคุมจิตที่ตามอารมณ์เดิมอย่างนี้ขอมัญดาท่านพุทธบริษัทเรงทราบว่านั่นจิตทรงอยู่ในปฐมฌานได้ไม่มั่นคงนะัก จิตดคลดจากฌานเมื่การวูบคลายจกตกจากที่สูงแต่ก็จงอย่าตกใจเมื่อไม่สามารถจะคุมละอารมณ์ได้เท่าเดิมก็คุมอารมณ์เท่าที่มันทรงอยู่ได้นักษาอารมณ์จิตสบายไม่ชาจิตก็จะสามารถทรงปฐมฌานได้แบบส บ, สบายๆอาการวูบจะไม่ปรากฏนี่เรียกว่าเป็นลักษณะของฌานที่หนึ่ง นี่สำหรับข้อฌานที่สองท่านบอกว่ามีองค์สามข้องฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าฌานที่สองมีองค์สามคือมีปีติสุขเอกคตาตัดวิตกวิจารไปเส้นได้ข้อ น, นี้เรื่องฌานที่สองมัเป็นเรื่องยุ่งสำํำนักนักปฏิบัติอยู่คือเพราะว่าการปฏิบัติมันแล้วไม่ทราบว่าอะไรมันเป็นวิตกวิจาร นักศึกษานักเทศน์นี่พลาดกันมาสมา่ำเสมอแม้แต่อาตมาเองเป็นผู้พูดก็เช่นเดียวกันเมื่อขณะที่ฝึกระยะตนจิตเข้าถึงทุติยฌานคือฌานที่สองเกิดมีความไม่เข้าใจเพราะว่าตัดวีตกวิจารณ์ก็ได้วีตกก็ได้กิดนึ ก, กว่าจะภาวนาและวิจาัยก็ได้แก่ตัวรู้อยู่ว่าภาวนา ตอนนี้พอติดเข้าถึงทานที่สองคำภาวนาหายไปเฉยๆหยุดไปเองเมื่อคำภาวนาหยุดไปเองล้วก็จะว่ามีใจสบายชุ่มชื่นดีกว่าเพราะว่าไม่มีตัววิจารณ์มีแต่ปีติพอเริ่มก็มีความชุ่มชื่นสบายนั่นก็สุขเอกิกคตาอารมณ์ทรงตัวดีกว่า ชาญที่หนึ่งเราจะตอนนี้จะรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงไปหน่อยกว่าเดิมกว่าชาญที่หนึ่งตอนนี้ก็มีหลายหลายท่านเมื่อจิตถอยลงมาถึงประฐมฌานคือทรงชาญที่สองได้ไม่นานรู้สึกตัวว่าตายจริงที่เราลืมภาวนาไปเสียแล้วหรือหรือว่าเราหลับไป แต่ความจริงนั้นมใชเหลับเลับมันก็งูกแต่การจะงูกไปข้างหน้าหรือข้างหลังตอนนี้ไม่เหลับคือจิตเป็นเข้าถึงว่าธรรมาชาญิโกทิ้งภาวนาไปเองแค่เข้าถึงฌานที่สองคือทุติยฌานจะทิ้งภาวนาไปเองนั่นนี่โปรดเข้าใจไว้ด้วย จะมีแต่ความเ e อิบอิ่นจิตจะทรงตัวมากขึ้นเราจะทรงสมาธิในรวดเร็วกว่าเดิมแล้วสามารถจะทรงเวลาได้นานกว่าเดิมตามความต้องการนี่พอถึงฌานที่สามท่งนล่าวว่าฌานที่สามมีองค์สองคือตัดปีติทิ้งไปเหลือแต่สุขกับเอกคตา สำหรับอาการที่สามนี้จะรู้สึกอารมณ์ให้ใจเบามากร่างกายเราจะตัดความอิ่มเ อ, อิบจะหายไปและถ้าความสุขเยือกเยน็นมีความสบายสบายคลายความอิ่มกระจิตจะทรงตัวมากอารมณ์จะไม่เคลื่อนไหวหูจะได้ยินเสียงภายนอกเบาลงไปมาก เสียงที่ดังมากๆเราได้ยินเหมอนกันแต่ได้ยินเบามากมีการทรงตัวแนบแนมสนิทมีความรู้สึกเหมือนว่าร่างกายเข้าเกรงไปทั้งตัวแต่ความจริงนั่นเป็นเรื่องอาการของจิตไม่ใช่เรื่องอาการของกายแล้วตอนนี้เท่าคนนั้นหลายเข้าทิ้งชาดีสาม แล้วส่งฌานที่สามได้ดีสมมุติว่าเช้ามืดทันตื่นขึ้นมานอนอยู่แล้วนั่งอยู่ก็ตามจิตส่งสมาธิถึงฌานที่สามได้ดีวันทั้งวันวันนั้นรู้สึกว่าเราไม่ต้องการอยากจะพูดกับใครอาการพูดมันจะน้อยทั้งวันเพราะว่าจิตมันทรงตัวได้ดี าาการมีอย่างนี้ก็ท่านท่านก็ขอให้ท่านภูมิใจว่าเราทรงฌานได้ดีมากแต่ถ้าวัาเลิกแล้วก็อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสนทนาปราสัยอยากจะพูดมากก็นั่นในการแสดงว่าสำหรับอารมณ์ที่เป็นฌานของท่านมันได้แต่เวลาที่นั่งอยู่และปฏิบัติอยู่เท่านั้นเพราะเวลาเลิกแล้วกำลังฌานมันไม่ได้ตามจิตก็าไปตามจิตเขาทำไปด้วยอย่างนี้ไม่ดี ควรจะพยายามรักษาให้มันทรงอยู่ได้ทั้งวันถ้าทรงไม่มากก็ทรงน้อยอย่าน้อยที่สุดที่สุดแคจิตยืนอยู่ในอุปจารสมาธิแล้ววันทั้งวันนี้เราสามารถจะทรงได้ถ้าจิตตั้งอยู่ในอุปจารสมาธินี้เราก็คุยกับชาวบ้านได้แล้วคุยน้อยไปหน่อย ถ้าจะพูดก็พูดในเรื่องที่เป็นสาระจริงๆเรื่องที่เป็นอกุศลทุกอย่างจะไม่ยอมพูดใจจะไม่ยอมคิดในเรื่องของอกุศลตอนนี้มาถึงชานที่สี่ชานที่สี่เรกกล่าวว่าตัดสุกเสียได้มีองค์สองหม่นกันตัดสุกออกไปเหลือได้เ อ, ก, เอกกาตาและเพิ่มโอเบคาเข้ามา เอากาตานิ่แปลว่ามีอารมณ์เป็นเดียวมีอารมณ์เป็นหนึ่งจนั้นเมื่อมันตัดสุขออกไปได้หรือเอากาตาก็จิตก็จะทรงตัวเฉยๆอุเมกขาประสาทภายนอกสมหมดไม่สัมผัสเสียงไม่สัมผัสกันกระทบกระทั่งคือไม่รับการสัมผัสเสียงจะมาภายนอกดังเท่าไรก็ตามที หูจะไม่ดียินเสียงภายนอกการสัมผัสจากลมแรงก็ดีเหลือบยุงจะเข้ามาเกาะตัวก็ดีไม่มีความรู้สึกแต่ว่าการทานจิตไม่เหลับมีความรู้สึกมีสติ ส, มสัมปชัญญะทรงตัวเป็นคนมีสติสัมปชัญญะดีมากมีความสว่างสวัยในจิต จงจะลืมว่าคําว่าฌานนี้ไม่ใช่นังหลับจิตจะทรงตัวสมาธิจะดีสติสัมปชัญญาจะสมบูรณ์นี่เป็นการฝึกอารมณ์จิตของเราให้มีการทรงตัวเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเจริญวิปัสนาญาณสําหรับฌานสี่ทั้งสี่อย่างนี้ปฐมวชายก็ดีทุติยฌานก็ดีตาติยฌานก็ดีเจตุติฌานก็ดี เนื้อถว่าเป็นภาษาไทยก็าชาญที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดคือบรรดาวิสุทธมวันเองก็ดีอุบาสกขุมบาสิาสากายก็ดีจะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จะมีอารมณ์เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาหรือไม่จะสามารถควบคุมกาลังใจให้ดีตามแบบเจรณะทั้งทิ อ่สิบอ็ดข้อที่กล่าวมาข้างตน้นหรือไม่นั้นก็อยู่ที่กําลังสมาธินี่เองหรือว่ากําลังสมาธิของท่านได้ทรงฌานสูงเรื่องยุ่งภายในใจมันก็ไม่มีถ้าใจมันไม่ยุ่งปากมันก็ไม่ยุ่งกายมันก็ไม่ยุ่ง นี่แต่หากว่าท่านนนั้หลายสามารถทรงได้ชาตที่หนึ่กกง ก, ดกาา็ดีชานที่สองก็ดีชานที่สามก็ดีทิ้งชาติที่สี่ยิ่งดีมากไม่เวลาเช้ามืดเช้ามืดนี่เป็นเรื่องสําคัญถ้า ต, ตอนเช้ามืดจิตของท่านทรงชาตได้ปล่อยให้ลมแนบสนิท ต, ตามที่กําลังจะทรงได้นั่นก็หมายความว่าเจรณะทั้งสิบห้าข้อคือหนึ่งศีรสมธะ ท่านท่านก็เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์บริสุทธิ์ศีลไม่บกพร่องอินทรีย์สงบการสัรวมตาหูจมูกริงกายดีทั้งหมดเพราะใจมันทรงตัวในด้านกุศลตาไม่เสียหูไม่เสียจมูกไม่เสียเป็นต้นโช้ชจนเนวัตันยุตาการรู้จักระมาณในการบริโภคผู้ทรงฌานนี่ชนะาหาันไม่มากนะัก แต่ยังไม่ถึงอจะไปลดอาหารมันนะปล่อยมันตามสบายเพราะอาการทางใจมันอิ่มเรื่องลดอาหารไม่มีการยุ่งพิจารณาอยู่เสมอว่าเรากินเพื่อทรงอยู่เพราะความหลงไม่มีชายธรายาในโยกก็เป็นผู้มีสติสมบูรณ์เมืน่อคนเต่งอยู่ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้ามีสมบูรณ์แบบไม่บกพร่อง ความระ哀ทอมบาคือหิริกดตะเอตาตะปะความเกรงกลัวต่ผลของความชั่วมีอยู่เพราะหุ่น จ, จะความทรงจำของผู้มีสมาธิดีจะมีอยู่ในปกติวิทยะความเพียงก็จะทรงตัวสติก็จะทรงอยู่เสมอปัญญาจะรอบรู้เพราะปัญญานี่ถ้าจะเกิดได้ก็เพราะอาศัยกำลังของสมาธิเป็นสำคัญ เป็นอันว่าเมื่อวัรดาท่านพโยคาวาจรทุกท่านสามารถทรงฌานได้จะเป็นฌานไหนก็ตามเราจิตทุนท่านไม่ละเมิดไม่ละทิ้งในฌานในยานมเช้ามืดเป็นอันว่าเจรณะทั้งสิบห้าประการจะสมบูรณ์แบบเป็นก็เป็นหนึ่งว่าท่านเป็นผู้ทรงอิธิบาทสีรบถุนบริบูรณ์และก็สามารถจะทรงความดีในบารมีสิบประการในขบถวน อาจารย์สำหรับวันนี้เรื่องจารณาสิบหเราขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้